พอดีว่าหนูสังเกตนะคะอขณะที่เห็นสังขารมันปุงมันรู้ทันเนี่ยค่ะแต่มีอันหนึ่งที่ที่มันไม่ปรุงอ่ะแล้เรา้วหนูว่าเข้าใจว่าธรรมชาติที่มันไม่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันมีคือคือตัวที่มันปรุงแต่งขึ้นมาตัวรู้ทันเนี้ยค่ะมันมันมีคือคือมัน ถ้าถ้าสังเกตอันไหนมันก็จะเห็นอันนั้นอย่างเช่นขนาดที่ที่มันตึงขึ้นมาอย่างจะโทรศัพท์มาหาท่าอาจารย์เนี่ยค่ะมันทันเนี่ยค่ะมันมันมันมันมันก็จะรู้จักแล้วแล้วเออมันก็จะเห็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งอะค่ะที่ที่มันไม่ตึงเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ผมเข้าใจถูกไหมคะเออเรากลัวว่าโยมจะเป็นผู้ดูละทีเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าถ้ามันมีโยมอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ดูเนี่ย มันก็กลายเป็นว่ามันมันไม่เห็นตัวเราเลยเพราะว่าไอความตั้งใจอะนะความตั้งใจที่จะชำเลืองดูก็ดีอะไรพวกเนี้ยแล้วมันไปเห็นเนี่ยกลายเป็นเราเป็นผู้เห็นพอเราเป็นผู้เห็นเนี่ยมันไม่เห็นตัวเราดิเออมันจะไม่เห็นตัวเราเพราะว่าเพราะว่าสมมติว่าโยมโยมจะเห็นอย่างที่โยมเล่าอ่ะนะแต่ว่าถ้าโยมไม่เห็นตัวเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้ได้ เออเดี๋ยวนะตรงนี้จะเอาอยัางไงเดียเพราะว่าเวลาเล่าแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีตัวโยมเป็นเป็นผู้เล่าแต่โยมก็ก็ลืมไปว่ามันมีตัวโยมที่เป็นผู้เล่าในปัจจุบันเนี่ยไ ม, ไม่ไม่เดี๋ยว อ, อ๋อหนูหนูเรื่องเข้าใจเพราะว่าเวลาเวลาท่านสอนท่า น, านต้องบอกว่า อ, อ๋อ ดูให้ดูตัวโยมที่กําลังเล่าเลยให้ดูตัวนี้ไม่ใช่ดูความรู้เรื่องราวที่มามาเล่าให้ฟังเออใช่คือกําลังเล่ากําลังพูดกําลังคิดเนี่ยนะตัวเนี้ยตีต้องต้องละต้องต้องเห็นว่ามันเป็นสังขารใช่อืมทีนี้ถ้าถ้าเราไม่เอาปัจจุบันเนี่ยก็มีแต่ตัวโยมที่เป็นผู้เล่าคือจําอะไรได้มาแล้วก็เอามาบอกเราเนี่ยเออซึ่งมันมันทําให้มันทําให้เราไม่เห็นในปัจจุบันกลายเป็นว่ามีตัวเราอยู่ทนโทษเลยฮะ ใช่ไหมเอออ๋อเพรเพราะมีตัวหนูเป็นคนเล่าใช่ใช่ต้องต้องเห็นเห็นตรงนี้เห็นเห็นปัจจุบันแต่ทีนี้ว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นสมมติว่าคือจริงอ่ะยอมเล่าก็เล่าได้อ่ะนะเราก็ฟังไปได้หมดอ่ะแต่ว่าไอ้สิ่งที่อดีตน่ะถ้าถ้าภาษาหลวงตาคือเป็นทำเมาไงเป็นทำเมาเป็นทำเมาเออเป็นทำเมาที่มีตัวเราเป็นผู้เล่าแล้วก็ไม่เห็นตัวเราเลยเมาเลยเออก็เลยเรา S 1> <S 1> <S เออทีนี้ถ้าถ้าเห็นปัจจุบันเนี่ยทุกขณะจิตเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสังขารเนี่ยกําลังพูดกําลังเล่ากําลังพูดคือเห็นอยู่อ่าแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราดูแล้วเหมือนกับโยมโยมจะไปไปเอาเหมือนกับว่ามีตัวโยมเนี่ยเล่าเรื่องเรื่องอดีตว่าเคยเห็นมันไม่เป็ น, ม, น, ปนมันเป็นความว่างเป็นสิ่งไม่ปรุงแต่งอะไรเงี้ยลองลองลองดูตรงนี้ดิอ๋อ คือคือเราเรื่องเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วเปนคนเล่าแล้วก็ลื ม, ล, มลืมตัวเอง<ต>เออลืมไปลืดูว่าตัวที่กำลังเล่านี่แหละตัวสําคัญใช่เป็นตัวที่ต้องต้องรู้ละปล่อยวางคือมันเป็นสังขารคือสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแหละที่เล่าได้ที่คิดได้ที่จําได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอ่ะนะ เพราะนั้นในที่เล่าไปเนี่ยมันก็เป็นกลายเป็นว่าถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยคือก็คือหลงนั่นเองนั่นแหละเออถ้าว่าไปอ่ะคือหลงลืมลืมไปออออก็เหมือนที่หลวงตายกตัวอย่างสิว่า อ, อที่ไป อ, อยกคําของหลวงตามหาบัววา่าเห็นข้างนอกเนี่ยมันเป็นความว่างไปหมดใช่ไืมตัวเองก็ยืนอยู่บนหัวต่อไปไม่เห็นตัวเองอ่ะขนาดบอกว่าเห็นความว่างอ่ะแต่ไม่เห็นตัวเองที่อยู่ในความว่างอ่ะมันก็เท่ากับว่าหลงเลยอ่ะอืม ค่ะค่ะมันมันมันสาคัญเลาค่ะจุดประสงค์คือให้ให้รู้ละปล่อยวางตัวเองในขณะปฏิบัตินั้นนั้นใช่ใช่ใช่เหมือนว่าตอนเนี้ย หนูต้องรู้ว่าตั ว, ต ว, ตวเองที่จะลงเล่ากำลังพูดนี่เลยค่ะสำคัญที่ต้องต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวเองถ้ได้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้ารู้ตรงนี้มันก็จะหลุอดออกมาเลยแต่ถ้าแต่ถ้าตัวเองเป็นคนเล่ามันก็จะอินกับเรื่องอ <brance. c oughs> ราวว่าตัวเองเป็นคนรู้เป็นคนเล่าตัวเองเป็นคนหลงเรื่อนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เมื่อเห็นเนี่ยเห็นตัวเองที่เป็นสังขารนะนะก็สักแต่เห็นต้องไม่มีผู้เห็นซ้อนขึ้นมาอีกถ้ามีผู้เห็นซ้อนเนี่ยมันก็มีตัวเราตัวหลังอีกตัวหนึ่งใช่ไหมตัวที่เห็นซ้อน่ะ ก็เหมือนกับว่าแค่รู้ว่าเนี่ยที่กำลังพูดกําลังคุยเนี่ยมันมีอยู่เอกําลังพูดกําลังคุยมันมีอยู่แต่ลองไม่ต้องไปไปไปชำเลืองดูหาเออ่ไอ้ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่ต้องเลยอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็มีตัวเรามีสังขารก็ไปดูไปดูก็กลายเป็นปลอมไปหมดเลยอสิ่งถูกรู้ถูกดูเหมือนกับว่าไอ จิตเดิมแท้หรือธาตุรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่เราเราเขาเหมือนกับว่าพูดกันให้เข้าใจใช่อืมพูดให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่แต่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปไปอะไรมันเลยเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเนี่ยไอสังขารที่ที่มีอยู่เนี่ยตอนเนี้ยที่กําลังพูดกําลังคุยเนี่ยมีอยู่จริงๆมีอยู่มีอยู่เออกําลังพูดกําลังคุยเนี่ยแค่เนี้ยรู้ว่ามันมีอยู่มีอยู่ก็คือสังขารมีอยู่เนี่ยแล้วก็สังขารเนี่ยก็ไปปวนไปเรื่อยอย่างเงี้ยอืม ทนี้การดูมันก็มันก็มากก็ไม่ได้เหมือนกับว่ามันเบาๆเป็นธรรมชาติเลยอะนะเออพระอาจารย์ขออนุญาตค่ะแสดงว่ารู้จักสังขารที่มีอยู่มันจึงรู้จักว่าสังขารเนี่ยมันติดบังตัวตัวที่ไม่ใช่สังขารเพราะเราก็ไปจริงจังกับสังขารใช่ใช่นั่นแหละประมาณนั้นแหละแต่ยึดว่าเป็นตัวเราด้วยเพราะเรากำลังคุยใช่แตนี้มีพระอาจรบอกว่าเนี่ย หนูต้องดูนะว่าตัวที่กำลังพูดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหนูถ้าตัดแต่ตรงนี้ได้อ่ะรู้ละปล่อยวางขณาปัจจุบับ น, นได้มันมันก็จะหลุดออกมาจากตรงนี้ใช่แต่ทุความที่ที่หนูไม่ได้คุยกัท่านอาจารหนูจะลืมดูตรงนี้เลยเอ อ, อใช่โอมันเหมือนกับในอย่างอันนี้อ้างตารานิดหนึ่งตาราในสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรอนะนะหมวดกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยมันจะสรุปอย่างนี้เลยว่า เ อ, อเหมือนกับว่าทำนองว่าเ อ, อสติเนี่ยตั้งมั่นนะตั้งมั่นตั้งมั่นอะไรคือตั้งมั่นรู้อยู่ว่ากายนี้มีอยู่อ่ะคือ อ, อกายนี้มีอยู่เพราะว่ากายเนี้ยมีมีการเกิดบ้างมีการเสื่อมบ้างอ่ะนะแล้วก็รู้ว่ามีอยู่อ่ะพอมีอยู่เสร็จแล้วเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรก็ชี้ว่าไอ้กายมีอยู่เนี่ยก็เป็น เป็นแค่เครื่องรู้ของจิตเป็นแค่เครื่องรู้เป็นเขลังยานให้เกิดยาเนนะ่ะคือให้รู้อ่ะนะฮะแล้วก็เป็นที่อาศัยของสตินะแล้วก็แค่เนี้ยตัวเธอก็แค่เนี้ยเธอก็จะไม่ยึดอะไรอะไรในโลกนี้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าแค่รู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แต่เราไม่ต้องหาว่าใครมารู้หรือใครอะไรเลยอะ่ะแค่รู้ว่ามันมีอยู่แค่รู้ว่ามีอยู่เออแค่เนี้ยมันก็ก็ตัวเธอไม่มีแล้วแล้วก็มันไม่ติดอะไรแล้วเนี่ยมันก็สักแต่ว่าแล้วแหละอืม เราเราก็ไม่ต้องไปหาไอไออวิสังขารสังเขินอะไรแล้วเพราะว่าแค่แค่รู้ว่ามีอยู่นะแล้วก็ไม่ติดยึดอะไรไม่ติดยึดอะไรตรงนั้นมันก็เป็นวิสังขารอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติอยู่ละเ<อ>พราะเพราะสิ่งที่มีอยู่เป็นสังขารใช่ไหมเออทีนี้เมื่อไม่ยึดสังขารมันก็พ้นไปพ้นไปก็คือเป็นวิสังขารเลย อ, ะอ่ะเออออมันมันเป็นโดยธรรมชาติของมันเออมันเป็นกฏ เ, เาธรรมชาติเกิดดับของสังขารแล้วมันก็เข้าใจว่าตัวเราไม่มีแล้ว เมื่อก่อนวิทย์วีชาเรามีเอตัวหนูมีหนูมาเล่าให้ให้อาจารย์ฟังเออใช่แต่นั้นมันมันกลายเป็นมีตัวเราอีกตัวนึงซึ่งซึ่งเราไม่เห็นนะเว่าเป็นผู้เล่าผู้อยู่เนี่ยผู้มันอินเลยอ่ะมันเข้าไปเลยเข้าไปในความรู้เลยอ่ะเอเข้าไปในความรู้ไปรู้อะไรมาแล้วก็เข้าไปในความรู้แล้วก็เป็นผู้เป็นเลยเป็นผู้ผู้รู้ผู้เล่าผู้เห็นนีงไงที่ดลวงตาบอกว่าถึงผู้รู้ผู้เห็นผู้อะไรเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งนั้นแหละ ต้อง